ถ้าอยากจะถวายของก็เราก็มาถวายได้ถ้าของหนักของช้าก็วาไงไว้ข้างๆเสทางสงทา ง, ง, ทา ง, ง, ทา ง, งนี้ของเบา กาหนังสือ c ีดีก็หยิบไปได้ ใครต้องการหนังสือหรือซีดีก็มาหยิบได้วันนี้คนมาเยอะเพราะว่ามีเทศการเช็งเมงอยู่เรื่องนี้สาวเทศญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมสุสานไปเยี่ยมป่าชา การเยี่ยมป่าชานี้ก็มีมีการเยี่ยมหลายแบบเยี่ยมแบบยาตโยงก็เยี่ยมแบบหนึ่งเยี่ยมแบบพระก็เยี่ยมอีกแบบหนึ่งเยี่ยมแบบญาติโยงก็ไปจะลึกถึงอดีตของผู้มีก็คุณเช่นบิดามารดาปุยอ า, ายายและเยี่ยมแบบพระก็ไปนำลึกถึงอนาคต คือร่างกายของเราเอาไปร่างกายของเราก็ต้องไปอยู่ที่สื่สารถ้าไม่เอาไปเผาก็ถ้าเอาไปฝังก็ต้องไปที่สื่สารกันอาจจะเยี่ยอปา่าช้าก็เพื่อที่จะเดินสติให้เราเห็นอนาคตของเราที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของร่างกายของเราที่จะต้อง หมดสภาพไปเพราะเป็นกฎของธรรมชาติร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรรมาจากดินน้ำลมไฟเดินน้ำลมไฟก็เป็นธรรมชาติที่ไม่นิ่งที่มีการรวมตัวและมีการแยกตัวอยู่เรื่อยๆเช่นน้ำนี่น้ำนี่มันก็จะรวมตัวกันแล้วก็ตกลงมาเป็นฝน แล้วมันก็ระเหยขึ้นไปใหม่แล้วก็รวมตัวกันเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนเวลามารวมกับดินน้ำลมไฟก็ปรากฏเป็นร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ขึ้นมาสัตว์ในกระฉานก็มีดินน้ำลมไฟร่างกายของมนุษย์ก็มีดินน้ำลมไฟน้ำเราดื่มก็ตลอดเวลา ลมเราก็หายใจอยู่ตลอดเวลาดินเราก็รับประทานกันอยู่ทั้งวันวันละสามสี่มือ้เอเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเราก็รับประทานอาหารลับประทานขนมน ม, นมเลยของพวกนี้ก็ทำมาจากดินเป็นส่วนใหญ่ข้าวก็มาจากดินขนมที่ทำจากข้าวก็มาจากดินเหมือนกัน เราเตามดินตามน้ำตามลมตามไฟให้กับร่างกายที่เป็นเหมือนตัวที่ตัวรวมของดินน้ำลมไฟแล้วก็การรวนตัวของดินน้ำลมไฟนี้ก็จะอ่อนกําลังไปเรื่อยๆระยะใหม่ๆจะ ก, กำเนิดกลังดึงดูดเข้าหากันทําให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตแต่พอถึงจุดสูงสุดแล้ว กำลังของการดึงดูดการรวมตัวของธาตุสีก็จะอ่อนกําลังลงก็จะกําลังที่จะแยกธาตุสีก็จะมีมากขึ้นร่างกายก็แทนที่จะจะเติบโตให้ใหญ่ขึ้นให้แข็งแรงขึ้นก็เริ่มชราภาพลงเริ่มมีการอ่อนกําลังลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็ไม่สามารถรวมตัวอยู่ด้วยกันได้ ธาตุสีก็ต้องแยกทางกันไปเวลาคนตายใหม่ๆนีนธาตุที่ไปก่อนก็คือธาตุไฟร่างกายถ้าประจับตัวร่างของคนตายนี้ร่างจะเย็นเฉียบแล้วก็ลมก็จะออกไปเรื่อยๆลมก็คือกลิ่นที่ระเหยออกมาจากร่างกายออกมาก็น้ำก็จะไหลออกมา ถ้าทิ้งไปนานๆเข้าร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นปุ๋นไปนี่คือการไปรเยี่ยมป่าชาของพระซึ่งต่างกับการไปรเยี่ยมป่าชาของญาติโยมของญาติโยมไปจะไม่เห็นร่างกายที่ตายไปแล้วแต่พระนี้จะไปดูร่างกายของคนที่ตายไปแล้วซึ่งในสมัยพระพุทธกาลนี้ เขาไม่ฝังศพกันเขาเอาศพไปวาด ไ, ไปไว้ในป่าชาปล่อยใ ห, ให้ให้เสื่อมไปให้ให้ถูกมแมละจัดกัดตอ่อยถูกสุนัขถูกจัดต่างๆมากัดมากินไปการไปดูป่าชาแบบนี้นั้นเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างปัญญาปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ มีไว้เพื่อตัดกิเลสตัดความหลงตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัดความอยากความหลงก็คือหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นยึดติตกับร่างกายทาให้เกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆาแต่พอเราไปดู ไปเยี่ยมป่าชาไปเห็นศพเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็จะต้องตายไปจะต้องด่วยต้องแยกออกจากกันไปธาตุสี่จะต้องแยกออกจากกันไปเหนือแต่ธาตุดินทาตุน้ำก็ซึมเข้าไปในดินไหลออกมาซึมเข้าไปในดินธาตุนมก็ละเหย เข้าไปในอากาศถ้าไปก็หายไปเหลือแต่ดินให้เราเห็นก็คืออาซาเป็นโครงกระดูกถ้าดูอย่างนี้ บ, บ่อยๆมันก็จะทําให้เราติดตาติดใจทําให้เราเห็นความจริงทําให้เราปล่อยวางอุปทานได้พราะเห็นว่ามัน เป็นเพียงดินน้ำลงไปถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่มีความอยากในร่างกายเช่นนไม่มีความอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความอยากได้อยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ เ, เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใหญ่พระพุทธเจ้า เหตุที่พระเจ้าทรตัดสรุปก็คือเหตุของความทุกข์ใจนี้เองว่ามนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีความทุกข์กันนี้ไม่ได้ทุกข์จากอะไรทุกข์จากความอยากของตนเองเวลาเกิดความอยากแล้วใจก็จะไม่สบายแต่ จ, จะหงุดหงิดใจจะวุ่นวายเช่นเวลาเราคิดถึงร่างกาย เราเห็นความเจราเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความตายที่กิดมากับร่างกายถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เราจะไม่สบายใจทันทีที่แล้วที่เวลาคิดว่าร่างกายเราสักวันหนึ่งนี้จะต้อง老แกจะต้องเจ็บไข้ได้ปว่วยและจะต้องตายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองแล้วที่มีความอยากก็เพราะว่ามีความยึดติดยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราสาเหตุที่ทําให้เรายึดติดครับเพราะว่าเราไม่มีปัญญานั่นเองเราไม่เห็นความจริงไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตุ ก, กตาตัวหนึ่งที่เรา ได้มาจากพ่อแม่แล้วเราก็ใช้ตุ๊กาตาตัวนี้ทำอะไรต่างๆพาเราไปตามสถานที่ต่างๆเช่นวันนี้เราก็ให้ร่างกายพาเรามาที่วัดนี่คือเรื่องของร่างกายเป็นเหมือนพาหนะเป็นเหมือนเครื่องมือของใจใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นนายร่างกายนี้เป็นบ่าว ใจก็คือตัวเรานี้เองเราเนี่ยะเป็นผู้เป็นใจเป็นผู้รู้เป็นผู้สั่งการสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่งางๆสั่งด้วยความคิดแต่เนื่องจากเราไม่เข้าใจธรรมชาติของใจว่าความสุขความทุกข์ของใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็มักจะผลิตแต่ความทุกข์ออกมาเนื่องจากเราไปหลงยึดติดกับ สิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นสุขคิดว่ามีร่างกายแล้วจะมีความสุขจะสามารถทำอะไรต่างๆได้ก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ธรรมชาติของร่างกายนี้เขามีวัฏจักรของเขา มีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาถ้ามองไม่เห็นความจริงอันนี้หรือไม่ยอมมองก็จะเกิดความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายแต่ถ้ามองอยู่เรื่อยๆคิดนาอยู่บ่อยๆเห็นว่าเป็นยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีทางเลือกไม่มีทางอื่นแะ ใช่ก็จะยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงได้แล้วก็จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้คืออ น, นิสง์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการไปเยือนสุสานไปเยี่ยมป่าชา้าแบบของพระพุทธศาสนา ไปแล้วต้องไปเห็นคนตายเพื่อเราจะได้โอปะนัติโกน้อมเอาคนตายนั้นมาเข้าสู่ร่างกายเราสอนใจเราให้รู้ว่าต่อไปร่างกายเราก็ต้องไปอยู่ที่สิวสารต่อไปร่างกายเราก็จะต้องเป็นซากศพเหมือนกับซากศพที่เราเห็นอยู่นี้ถ้าถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว ใจก็จะสงบนะใจก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้แล้วทีนี้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะไม่ทุกข์จะไม่หวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกายจะไม่กลัวร่างกายจะจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนเวลาใดจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่กลัวความแก่ของร่างกาย พอรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายกายเป็นเพียงผู้ดูแลร่างกายเท่านั้นเวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจบ็บใจก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจจะเจบ็บก็ต่อเมื่อมีความอยากเช่นเวลาร่างกายเกิดความเจ็บขึ้นมาใจเกิดความอยากให้ร่างให้ความเจ็บหายไปถ้าเกิดความเจ็บขึ้นมา ก็จะเกิดความเจ็บที่ใจอีกชั้นหนึ่งเป็นเป็นเจ็บสองชั้นเจ็บที่ร่างกายแล้วแล้วต้องมาเจ็บที่ใจต่ออีกชั้นหนึง่งแต่ถ้าได้รับการสุกฝนอบรมให้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายให้รู้เฉยๆว่าร่างกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บให้รู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้ไม่สามารถถ่ายทอดเข้าสู่ความเจ็บของใจได้ ให้รู้ว่าความเจ็บของใจเกิดจากความอยากของใจเองซึ่งความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความอยากที่จะหนีจากความเจ็บไปถ้าเกิดความอยากแบบนี้แล้วก็จะสร้างความเจ็บขึ้นมาชั้นภายในใจซึ่งเป็นความเจ็บที่รุนแรงมีน้ำหนักมากกว่าความเจ็บของร่างกายผู้ที่รู้ความจริงนี้ก็จะสามารถ ยับยั้งความเจ็บของใจได้แล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างไม่สะพนสะท้านอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นความเจ็บส่วนย่อยความเจ็บของร่างกายนี้เป็นความเจ็บส่วนย่อยแต่ความเจ็บของใจนี้เป็นความเจ็บส่วนใหญ่ที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ด้วยการควบคุมใจให้นิ่งสงบ ไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาโดยอำนาจของสติของสมาธิและของปัญญาถ้ามีการเจริญสติอยู่เรื่อยๆมีการนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆมีการพิจารณาทางปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าความเจ็บนี้เป็นอนักตาคือไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไม่สามารถไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บได้ ร่างกายจะเจ็บก็ต้องปล่อยเขาเจ็บไปเหมือนกับเสียงที่ได้ยินตอนนี้เราไม่สามารถไปสั่งเขาห้ามเขาไม่ให้ส่งเสียงดังได้เวลาเขาจะส่งเสียงดังเขาปล่อยเขาส่งเสียงดังไปถ้าใจเราไม่ไปอยากให้เขาหยุดใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้เขาหยุดและใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาจะทุกขขึ้นมาทันที เหมือนกับความเจ็บของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บถ้าเราอยากจะให้ความเจ็บหายไปใจของเราก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ขึ้นมาซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายเท่าด้ียกันดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้ว เราก็จะสามารถทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาได้ทำใจของเราให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิมีสติเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เช่นร่างกายเราไม่สามารถสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เสียงต่างๆที่เราได้ยินเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาส่งเสียงที่เราชอบแล้วก็ไม่ส่งเสียงที่เราไม่ชอบได้เราจะได้ยินทั้งเสียงที่เราชอบและเสียงที่เราไม่ชอบเสียงที่เราชอบก็เช่นสรรเสริญเสียงที่เราไม่ชอบก็คือนนินทา เวลาเราได้ยินเสียงสรรเสริญเราจะมีความสุขใจเพราะเราชอบแต่เวลาเราได้ยินเสียงนินทาเราจะไม่สบายใจเราจะทุกข์ใจเพราะเราไม่ชอบแต่ถ้าเรามีปัญญามีสติมีสมาธิเราก็จะทำใจให้เป็นอุเบกขาเรารับฝังเสียงได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญหรือเป็นเสียงนินทาเพราะเราห้ามเขาไม่ได้นั่นเอง เช่เดียวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราไม่สามารถสั่งให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นได้เสมอวางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้เวาสั่งไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงอย่าไปทุกกับสิ่งที่เราสั่งไม่ได้เป็นลูกของเราตอนเ ด, เด็กเราก็สั่ง สอนก็ได้ทุกอย่างสอนได้ก็ทำอะไรเขาก็าเชื่อเข า, าฟังเราแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเขาก็าจะเริ่มเป็นตัวของเขาเองเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดของเขาเวลาเราสั่งให้เขาทำอะไรบางอย่างเขาก็จะไม่ทำตามเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่านี่เขาเป็นอนัตตา<ม>เขาไม่ใช่เป็นลูกของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ สักวันหนึ่งเขาก็ต้องแยกไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเราก็ต้องมีครอบครัวของเขามีสามีมีภรรยาของเขาเมื่อสักวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายจากออกไปเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วใจของเราจะเป็นอุเบกขาคือเป็นกลางไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ยินดีไม่ยินร้าย เขารู้ว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับต่อได้ถ้าอยากเกิดความอยากควบคุมบังคับแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงตัดสินได้ด้วยพระองค์เองก็คือพระอริยรรสัจสี่นี่เองพระอริยรรสัจสี่ข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ความไม่สบายใจ ทรงเห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของเราเองพอเราเกิดความอยากได้อะไรแล้วใจของเราก็จะกระวลกวายกระสอบกระสายขึ้นมาทันทีบางทั้งที่ยังไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาอีกถ้าได้ก็ได้กเกิดความดีใจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดความหงอหงายขึ้นมาเกิดความวิตกกรรมมังวลขึ้นมา ก็กลัวว่าสิ่งที่ได้มาจะไม่ได้อยู่กับตนไปนานานั่นเองนี่คือความทุที่เกิดขึ้นจากความอยากแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้มาก็จะไม่สามารถอยู่ภายใต้ความอยากของเราได้เสมอได้มาไม่กี่วันก็อาจจะจากออกไปก็ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเราก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่ามัค ทุกสมุ ท, ทยัยทุกก็คือความไม่สบายใจสมุทัยก็คือต้นเหตุของความไม่สบายใจถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ตัวนี้โรดเราก็ต้องมีมัชมัช ก, ก็คือสติสมาธิปัญญานี้เองถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ทําใจให้สงบได้สอนใจให้ปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราจะ ควบคุมความอยากได้นั่นเองความอยากของเราเกิดจากความคิดของเราเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วเราก็อยากตามมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะเห็นหน้าเขาคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดทานปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นไปตาม ตามปัจจัยของเขาเราไปสั่งไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปอาจจะบังคับควบคุมได้บางบางเวลาแต่ต้องมีเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถไปห้ามไปสั่งเขาได้เช่นร่างกายของเราตอนนี้เราก็ดูแลรักษากันไปได้ให้อยู่อย่างปฏิติสุทได้ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่วันหนึ่งก็จะต้องมี มีมีเหตุแลมีมีมีเวลาที่เราจะไม่สามารถสั่งเขาได้เป็นเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปสั่งไม่ให้เขาเจ็บก็ไม่ได้จะสั่งให้เขาหายเลยก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาหมอไปเข้าโรงพยาบาลไปรับยามาแล้วก็หวังว่าจะรักษาให้หายได้ซึ่งบางครั้งก็รักษาได้บางครั้งก็รักษาไม่ได้ อากไม่ได้ก็ต้องอยู่กับโรคนั้นไปอยู่ไปจนกว่ามันจะหายหรือไม่ใช่แม้ว่าตายตายไปนี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรามองทุกสิ่งทุกอย่างในเร่องนี้ว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ไม่นิ่งทุกอย่างมีการเ ป, ปลี่ยนแปลง มีการเจริญมีการเสื่อมมีการมามีการไปอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับถ้าเราไปยึดติดกับเขาเวลาเขาเดือดเวลาเขาเสื่อมเวลาก็ดับไปเราก็จะไม่สบายใจเราก็จะทุกข์ใจเพราะเรามีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เขาจากไปมีความอยากความไม่อยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ อันนี้เราไปอยากในสิ่งนี้เป็นอ น, นิจจ์ก็เลยเกิดความทุกข์สังขึ้นมาเกิดความทุกข์ใหญ่ขึ้นมาเพราะเพราะว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังครับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้นั่นเองแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนาาิจจ์เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราลังนับความอยากในสิ่งนั้นได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขา เขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาเราจะเลิศหรื อ, รอจะเสือ่อมก็เรื่องของเขาถ้าเราสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรักได้เราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆแต่เราก็ยังสามารถอยู่กับเขาได้สามารถทําอะไรต่างๆกับเขาได้เหมือนกับเหมือนกับตอนที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่มีความอยางให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองเราก็ยังอยู่กันไปอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาไปอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกอยู่กับหลานไปแต่เราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เท่านั้นเองเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขกับทุกๆคน พวกเราทุกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเรามีความทุกข์กันก็เพราะว่าเราอยากในตัวคนนั้นคนนี้นั่นเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาตามความอยากของเราพอก็ไม่ได้ทำตามความอยากของเราเราก็ทุกข์ใจไม่สบายจใจ<ช>เสียใจดังทีก็โกรธเกลียดขึ้นมานี่แหละคือนี่แหละอนิสงส์หรือผลของความอยากนี่จ้าที่พวกเราไม่ค่อยพิจารณากัน ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่กล้าหยาเราจะอยู่ตามมีตามเกิดครับผมมีปมัญหาอะไระบ้างครับอย่างในขัดแย้งว่าพุททีท่จีนอะไรอย่างนี้ครับจะรู้หลักคาสอนอย่าง น, นี้ครัาเกิดว่าเขาถือพุทธเจ้าหลายองค์หรือว่าจับหลายองค์อะไรอยนี้นครับ เขาจะสอนคล้ายๆเราเหมือนกันไหพระพุทธเจ้ามีร้อยองศ่ก็สอนเหมือนกันหมอหมอคนก็สอนวิธีรักษาโรคแบบเดียวกันทั้งนั้นถ้าเป็นโรคหวัดหมอเขาก็รักษาแบบเดียวกันทั้งนั้นแนจะไปหาหมอไหนก็ได้จะไปหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้เราสอนเหมือนกันเี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนเหมือนกันอยู่สามข้อให้ทำนนบุญละบาป แล้วก็ชำระได้ให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆข้ อ, อรับงนั้นไม่สําคัญว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าร่นไหนองค์ไหนมาไหว้องค์ไหนก็ไม่สําคัญการไหว้ก็ไม่ไหว้หรือไม่ไหว้ก็ไม่สําคัญพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไหว้พระพุทธเจ้าสอนให้ฟังให้ฟังเทศฟังคําสอนไม่ให้ไหว้แบบไหว้พระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์คนที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้านี้ต้องตั้งใจฟังถึงจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปนั่งกฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้จะแตะชายภาพเหลียงแต่ไม่สนใจที่จะฟังธรรมของพระ อ, องค์ก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นแสนเป็ น, เ ป, นเป็นแสนกิโลแต่ถ้า ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเกาะชายพระเหลืองอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านี่คือการเข้าหาพระพุทธเจ้าต้องเข้าหาด้วยการตั้งใจที่จะศึกษาที่จะรับฟังคําสอนและองค์ไหนก็เหมือนกันพระโคนมพระพุทธโคนมหรือพระสีอานก็เหมือนกันเพราะสิ่งที่ทรงตัดจรู้ก็เหมือนกันก็คือพระอริยสัจสี ทุกสมุทัยนิโรธมากมรรคก็คือให้ทําบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุท์ถ้ามีมรรคแล้วก็วจะละปัญหาได้หยุดความทุกข์ได้ดับความทุกข์ได้ตอนนี้หละคำสอนพุทธเจ้ามีสั้นๆแค่นี้เองสอนให้เรามาดัาความทุกข์ไปในใจของเรา้อย่างมีคำสอนเียว่าพุทเจ้าแบบ เมื่อนิพพานไปแล้วเป็นแดงอะไรนี่คือเราไม่ต้องสนใจเลยครั บ, บรอันนั้นก็เป็นการจินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างไรเท่านั้นเองอเรื่งเป็นเรื่องอ จ, จินไตไม่ควรที่จะไปสนใจเรื่องนี้ต้องเป็นสันติโกต้องปฏิบัติน่ารู้เห็นได้ด้วยตนเองเท่านั้นผู้อื่นไม่สามารถที่จะผู้ที่ยังไม่ปฏิบัตินี้ผู้ที่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานนี้จะไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรต่อให้ว่าภาพอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นพระนิพพาน และนั้นไม่ต้องไปสนใจพระพุทธเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่การเจริญมรรคเพียงอย่างเดียวมรรคต้องเจริญให้มากมรรคก็คือมรรคแหรือศัยสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานี่แหละคือมรรคก็คือให้เราละบาปทำกุลชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือมรรคที่จะพาให้เราไปถึงแดนแห่งการสิ้นสุดของความทุกข์ นาที่มีแต่ความสุดตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด <c oughs> อันนี้เราไปจินตนาการไม่ได้เหมือนกับเราไม่เคยตาไปไปสถานที่ในสถานที่หนึ่งเราไปนั่งจินตนาการก็จะไม่เหมือนกับของจริงเราต้องไปถึงที่นั่น้วเราก็จะเห็นกับตาของเราเอง <c oughs> คนที่ไปมาแล้วมาเล่าให้เราฟังมันก็ไม่เหมือนเราก็ฟังแล้วเราก็คิดไปในใจของเราแต่พอเราไปเจอของจริงมันก็จะไม่เหมือนกับ ความจินตนาการของเรานั้นอย่าไปจินตนาการให้เสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนของจริงอยากจะได้ของจริงก็ให้เราปฏิบัติ เดี๋ยวนี้เป็นอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่อังคองครับผมที่ตัวเมืองอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองครับอยู่ใกล้หน่อยนะจะให้พอนก่อนนะคนที่อยากจะกลับจะได้กลับได้ส่วนใครที่อยากจะอยู่ต่อก็อยู่ต่อได้ยะท้าวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคารัง เอวเมวอิโตทินังเจตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิดเป้าเมวะสัมมิจโตสัเพปเรนโตหนังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโจติระโสยทาสักีติโยวิวัตานตุชาพโรโควีนัสตู มาเตผวจรตราโยสุขีทีพาโยโกภวะอะิวาธนสีนิสานิจังุทธาปจายิโนจตาโรธรรมวทาติอายุวนโนสุภาภะละ ก็ขอให้รู้อย่างเดียวว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ายังยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่อยู่ที่เราไม่สามารถที่จะติดต่อกับท่านได้เพระพุทหลวงตาก็ยังอยู่ใจของท่านยังอยู่ใจของเราก็อยู่เพียงแต่ว่าเวลาร่างกายของเราตายไปใจของเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่แต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของหลวงตานี้ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เท่านั้นเองต่างกันแค่ตรงนี้เอง ใจของพวกเราไม่มีวันตายฉันใดใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวันตายฉันนั้นต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกเหมือนพวกเรา <c oughs> พวกเรานี้ยังไม่เบื่อร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อมาแก่มาเจ็บมาตายต่อเท่านั้นเองไม่มีอะไรต่างกัน ไม่ต้องกลัวปฏิบัติธรรมไปถึงวันนิพพานแล้วเราจะอันตรธานหายไปเราไม่มีวันหายนะเราไม่มีวันศูนย์สิ่งที่ศูนย์ก็คือความทุกข์เท่านั้นเอง ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นกุ่มประชนธรรมดาอย่างพวกเราหรือพระพุทธเจ้านี้เป็นใจเหมือนกันต่างกันที่ใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใจของพวกเรานี้ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสอยู่มีตัณหามีความอยากอยู่พอมีความอยากก็เลยต้องไปหาร่างกายมาตอบสนองความอยากยังอยากดูยังอยากฟังก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นก็ต้องมีร่างกาย แต่มีร่างกายแล้วมันก็ต้องมีทุกข์ตามมาเพราะว่าต้องคอยดูแลเล้ยงดูร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่างกันแค่ตรงนั้นเองใจของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการมีร่างกายเพราะไม่อยากจะไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่อยากมาต้องมาเอร้าดูเลยงดูร่างกายทุกวันต้องกินข้าวันระกามื้อต้องทานู่นทานี่วุ่นวายไปตลอดเวลา ื่ออยู่ในความสงบดีกว่าใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในความสงบเหมือนนั่งสมาธิตลอดเวลานั่งได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีร่างกายถ้ามีร่างกายก็นั่งได้ไม่นานเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องขยับตัวก็วต้องออกมาออกมาก็ต้องมาทำภารกิจกับการเลี้ยงดูร่างกายต่างๆพอไม่มีร่างกายแล้วก็เข้าสมาธิได้เป็นแสนปีเป็นล้านปีไปเลย เนืนิพพานก็คือสักวามสงบนี้เองคือสมาธิใจที่สงบนี้าเป็นความสงบที่ถาวรเราก็ เ, เรียกว่านิพพานถ้าเป็นความสงบแบบชั่วครา ว, วก็เรียกว่าสมาธิเมี่เรานั่งสมาธิแล้วพอสัระยะหนึ่งร่างกายมันทนไม่ไหวมันก็จะต้องออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีร่างกายก็นั่งสมาธิได้ยาวไปเยเพราะไม่มีตัวที่จะมา ดึงจิตให้ออกมาจากสมาธิต่างกันแค่ตรงนี้เองใจของพวกเราก็ไม่ตายใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายหมายความว่าใจของเรายังต้องกลับมาเกิดใหมยังต้องมาแบบหามาแบบร่างกายอันใหม่มาทุกกับร่างกายอันใหม่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าถึงพระนิพพานก็มีเท่านี้เองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่า เราปฏิบัติพอไปถึงพั้นิพพานแล้วเราจะศูนไปอย่างบางคนคิดว่าตายไปพอตายไปก็ศูนจบไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นขอให้เราทำไปเถอะเพราะว่ามันจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เหมือนกับตอนนี้เรามีความสุขเพียงนิดเดียวเดียวเดียวไปเที่ยวไปทำอะไรปั๊บก็มีความสุข หลังจากนั้นมาก็หายไปหมนมดแล้วต้องหาใหม่แล้วต้องทําใหม่ต้องกินใหม่ต้องเที่ยวทำอย่างนี้ซําแล้วซ้ำอีกมากี่ร้อยรอบแล้วแล้วก็นอกจากความสดแล้วก็ยังมีความทุกข์มีเรื่องราวต่างๆให้แก้ให้ให้เดือดร้อนให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าการกลับมาเกิดนี่ดีเพราะการกลับมาเกิดก็เหมือนกับการกลับเดินเข้าไปในกองไฟนั่นเอง การไม่กลับมาเกิดก็เหมือนกับการเดินออกจากกองไฟลองไฟของของการเกิดแก่เจ็บตายนี่การเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราก็เลยคิดว่าการเกิดนี่ดีเกิดแล้จะได้ทําอะไรได้แต่ไม่มองส่วนของที่เป็นส่วนของความทุกข์ว่าที่ร้องหอร้องไห้กันที่จะเป็นบ้ากัน ที่ฆ่ากันที่วุ่นวายกันนี้มันมันเป็นอะไรกันแนะ่เราไม่คิดถึงส่วนนั้นกันก็เลยอยากจะกลับมาเกิดกันพอ เ, เกิดแล้วก็มาบนน่นกันบ่นว่าทุกทุกทุกแต่ก็ไม่รู้วิธีแก้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนตอนนี้โชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเดินออกจากกองทุกข์ ด้วยการทําบุญลบาปด้วยการชําระใจให้สะอาดโดยสุดขอให้พวกเราพยายามทำสามข้อนี้การทําบุญก็คือเรื่อเอาเข้าอาของมาให้ผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการทําบุญสงเคราะห์ผู้อื่นได้พอทานเรามีของมากเกินความจําเป็นไม่ต้องเก็บเอาไว้เอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่นแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุข แล้วก็ให้รักษาศีลคือไม่ทําบาปการทําบาปทำให้ใจเราทุกข์วุ่นวายถ้าเราไม่ทําบาปรักษาศีลได้ใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุขอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าอยากจะมีความสุขมากไปกว่านั้นเราก็ต้องภาวนาต้องชําระกิเลสต้องทําใจให้สงบเวลาใจสงบ ก, กิเลสทํางานไม่ได้ก็เหมือนกับกําจัดกิเลส แต่ว่าความสงบของสมาธินี้มันไม่สามารถทําลายกิเลสได้อย่างถาวรมันเพียงกดกิเลสเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้พอเรายกเอาหินออกไปเท้งไว้สักระยะหนึ่งหญ้าหาก็ยังงอกขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะให้หญ้านี้มันตายไปเลยเราก็ต้องถอนรากถอนโคนเลย วิธีถอนรากถอนคนของกิเลสก็ต้องถอนด้วยปัญญาเพราะรากโคนของกิเลสก็คือความหลงความหลงคืออะไรความไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเน้นถ้าเราสอนให้ใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหายหลงตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นเป็นอนัตตาเพราะเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่าทั้งอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหายหนลมเราก็จะหายพอหายหลงก็จะหายจากความโลภความอยากได้พอไม่ไม่มีความอยากได้ก็จะไม่มีความโกรธความโกรธไม่เกิดจากเวลาเกิดความโลภแล้วไม่ได้ดังใจอยาก่นเวลาอยากทำอะไรแล้วคนมาขัดขวางไ ม, ม่ให้ทำเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากเราจะไม่มีความโกรธใครจะทำอะไรเราจะเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีความโลภความอยากเราจะเดือดร้อนทันทีเวลาใครมาขัดขวางเราก็จะโกรธขึ้นมาทันทีความโลภความโกรธนี่ก็เกิดจากความหลงไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โลภ ท, ที่ที่อยากได้นี้เป็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเรามีปัญญาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทักอย่างไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเราก็จะไม่มีความโลภไม่มีความอย่านี่คือวิธีถอนถอนกิเลสถอนฆ่ากิเลสอย่างถาวรต้องฆ่าด้วยปัญญาฆ่าด้วยความจริงเพราะกิเลสเกิดจากความหลงนั่นเองเกิดจากความเห็นผิดเป็นชช่นเห็นความไม่จริงของจริงมองไม่เห็นกับมองซับกับซับรับ ของจริงก็คือไม่เที่ยงกลับไปเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ก็กลับไปเห็นว่าเป็นสุขของไม่ใช่ของเราก็เห็นว่าเป็นของเราเช่นร่างกายนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราทั้งที่นั่นไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> เราต้องแก้ด้วยปัญญาการที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนใจต้องสงบก่อนถ้าใจไม่สงบจะไม่มีกาลังที่จะมอง ให้เห็นความจริงได้เพราะกิเลสจะคอยบอกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องกดกิเลสไว้ชั่วข่าวให้กิเลสสงบตัวลงเราสงบตัวลงก็จะไม่มีคนมาคอยกระซิบบอกเราว่านี่เป็นตัวเราของเราเมล่อเราพิจารณาตามเหตุผลตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานี่คือธรรมะที่ พระพุเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็คือมรรคเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทําพิธีบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้ก็คือให้เราปฏิบัติบูชาเท่านั้นเองให้เราปฏิบัติบูชาก็คือให้ทําตามคําสอนก็คือให้เจริญมรรคให้มากเพราะมรรคนี้เป็นเหมือนยารักษาโรครักษาโรคใจ ตอนนี้ใจเรามีโรคโรคของใจก็เกิดความทุกข์ใจถ้าอยากจะหายจากความทุกข์ใจเราก็ต้องเอายามาฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคก็คือต้อนเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีมรรคเราก็มียาเรียกว่าธรรมโอสถ์พอมียาก็สามารถที่จะมาทําลายความโรคความอยากต่างๆได้ เราไม่มีความโลภความอยากแล้วใจเราก็จะหายทุกข์นี่คือเป้าหมายของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ให้พวกเราได้ได้ได้สร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจธรรมะก็คือมรรคนี้เองมรรคได้แต่ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือให้ ทำบุญละบาตรทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นมาเหมือนกันถ้าทําแล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความอยากต่างๆเราไม่มีความโลภความอยากนะใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราก็อยู่ที่การปฏิบัตินี้ ถ้าอยากกร า, ากบา พ, ร พ, าพระพุทธเจ้าอยากกราบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยแบบไม้ชุบเทียน น, นี้อานิสงส์มีน้อยมากทําให้ใจเรามีคาาสตกใจเพียงเดียวเดียวเวลาเรากลาบพระเราก็เย็ยนใจสบายใจแต่พอ อ, ออกออกไปจากวัดครับเห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้เห็นคนนั้นเห็นคนนี้น ใ, นใจกบร้นขึ้นเหมือนพันธี แต่ถ้าเราปฏิบัติบูชามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเห็นอะไรเราใจจะเย็นอยู่ตลอดเวลาั้นขอให้เรามุ่งไปที่การปฏิบัติบูชาเป็นหลัก อ, อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทากันเหลนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาบางต้นก็ให้ศึกษาฟังพูดฟังทำแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาไปทำทานกันไปรักษาศีลกัน แล้วก็ไปเจริญสติกันพวกปมความคิดของเราอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยๆนำทั้งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆดูอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นมาภายใน ใ, นใจของเราเลยใจของเราจะว่างจะเย็นลงจะสงบลงจะสบายขึ้นจะมีความเบาอกเบาใจมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะไม่แบกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับเราไปแบกเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองพราะเราไม่ไปคิดถึงขาก็เหมือนกับเราปล่อยวางชั่วคราวเราปล่อยได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราก็ปล่อยด้วยปัญญาถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเรื่องต่างๆนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยเราเก็จะไม่ไปแบกแลเราจะละเราหลงหไปเองล้วไปแบกของหนักจังเ แบบแล้วเกิดประโยชน์อะไรรถจอดอยู่เฉยๆดีอยู่แล้วเราไปแบกมันทําไมอย่าไปแบกมันปล่อยมันไปมันจะจอดตรงไหนก็ปล่อยมันจอดไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแบกเขาปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปแบกเขาสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยเข้าไปพวกเราชอบแบกกันเห็นอะไรก็แบกไปหมดเลยเห็นไรก็ชอบไปยุ่งไปจัดการไปหมดอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ แล้วก็มาบ่นแล้วมาวุ่นวายใจเนอะไม่สบายใจเนาะะเพราะเราไปแบกมันเองไปยุ่งกับเขาเองเราปล่อยวางไม่เต็มเพราะเราไม่มีพุทธโธมาคอยหยุดความคิดหยุดความอยากของเรานั้นข็ให้เราฝึกเจริญสติให้มากๆจกฝึต้องพุทธโธไปมากๆแล้วใจเราจะเบาลงสบายขึ้นถ้าเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทาไมเราต้องมีพุทธโธ ท, ทำไมเราต้องมีสติ ต้องทำต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติไม่ทําฟังไปแล้วก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรมากมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเราการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเราจะเปลี่ยนได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติควบคุมความคิดของเราหยุดความคิดของเราทําความคิดของเราให้น้อยลงไปจนหยุดได้อย่างเสน็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสอนให้คิดไปในทางที่ถูกต้อง คิดไปในทางปล่อยวางคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตอนต้นนี้เราสั่งให้ไปคิดทางนั้นไม่ได้เราก็ต้องหยุดกันก่อนตอนนี้ถ้าเราปล่อยมันคิดมันก็จะคิดกันเรื่องเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีดนัตอนนี้เราต้องหยุดการคิดก่อนต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนเหมือนกับเราขับรถแล้วหลงทางเดินเดินผิดทางแทนที่จะไปอีกทางหนึ่งเราไปอีกทางนึง สิ่งแรกที่เราต้องทาก็ต้องจอดรถ่อดหยุดรถจอดหยุดรถแล้วเราค่อยู่เทินอยู่เทิแล้วกลับรถวิ่งไปในทางที่ควรจะวิ่งไปอันในความคิดของเราบางทีจะบางคิดไปในทางที่ผิดคิดไปในทางมิจฉาคิดผิคิดไปในทางนิดจังสุดขังอัตตาเราต้องหยุดมันก่อนหยุดความคิดแบบนี้ก่อนพอเราหยุดความคิดแังนี้ได้แล้วทีนี้เราก็ให้มันมาคิดทางอันนิดจังทุกขังอนัตตาต่อไป ต่อไปพอเราคิดในทางอนิจจังทุกขังอนักกามะนะเราก็จะปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยๆลดความอยากไปเรื่อยๆลดความโลภไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีความโลภความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเราไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการเจริญสติเป็นเรื่องต้นเจริญสติเพื่อให้หยุดหยุดความคิดหยุดการหยุดความคิดก็เรียกว่าสมาธิ พออยู่ทางคิดนะทีนี้ก็ให้ให้คิดไปในทางที่ถูกก็เ ร, เรียกว่าปัญญานี่คือสติสนาที่ปัญญาเหมือนกับการขับรถแล้วก็อยู่เทินนี่เราไปผิดทางการที่จะไปทางทิศเหนือแล้วกําลังวิ่งไปทางทิศใต้เราก็ต้อ ง, ยงหยุดรถหยุดรแล้วก็กลับรถอยู U ่เทินให้วิ่งไปในทางทิศเหนือต่อก็อขอให้ท่านเอาไปคิดไปพิจารณาและปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทําทให้เกิดผลการฟังนี้สําคัญมากก็ตามแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามก็จะไม่เกิดผลแต่ถ้าไม่ฟังเลยแล้วไปปฏิบัติก็จะหลงทางได้ถ้าเราไม่รู้จักทางแล้ว เ, เราเดินทางไปโดยที่ไม่รู้จักทางว่าทางนี้เราไปถูกหรือไม่เราก็หลงทางได้ตอนที่เราจะออกเดินทางเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเรารู้จักทางแล้วว่าทางที่เราไปนี้ถูก ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามผู้รู้ก่อนไปศึกษาก่อนพระพุทธเจ้าจึงสอนจิงทรงสอนให้ศึกษาก่อนให้ฟังเทศฟังธรรมก่อนเฟังเทศฟังธรรมแล้วพอรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็นอาออกไปปฏิบัติต่อต้องมีทั้งการศึกษาและมีการปฏิบัติถึงจะมีการสาเร็จผลขึ้นมาได้มรู้มรรคผลนิพพานได้ต้องมีปริยัตมีปฏิบัต ถึงจะมีปฏิเวทปฏิเวทก็คือการบรรลุผลปริยัติก็คือการศึกษาถ้าปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติก็เหมือนกับการเดินทางโดยไม่รู้ว่าทางที่ตอนปลไยนันจะพาไปทางไหนจะไปถึงที่ไหนปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางการปฏิบัตินี้เตรียมเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีครูอาจารย์นั่งปฏิบัติพวกคู่กันไปตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิต้องมีอาจารย์มานั่งด้วยอยนางนี้ไม่ใช่เราศึกษาแนวทางให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติควรจะทําอย่างไรแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติแล้วเราก็กลับมามาเล่าให้ครูอาจารย์ฟังว่าทําอย่างนี้ทำางนี้ถูกหรือไ ม, <c oughs> ม่เหมือนทําการบ้านแล้วเอาการบ้านมาสม่งอาจารย์ก็จะตรวจการบ้านดู ถ้าถูกก็ให้ก็จะบอกว่าถูกถ้าผิด ก, ก็จะบอกว่าต้องแก้ไขยอย่างไรนี่คือการศึกษาและการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่เช่นนั้นก็อาจจะหลงทางหลงทางทางปฏิบัติก็คือกลายเป็นคนบ้าไปได้นี่ก็ว่าปฏิบัติแล้วเป็นบ้าต่างต่างเพราะปฏิบัติแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์ยนี่ พอ น, นั่งไปแล้วไปเห็นอะไรเข้าก็หลงคิดว่าตนเองกลายเป็นผู้พิเศษขึ้นมาฉั้นให้สิ่งที่ตนเห็นนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ตนเองไปให้ความสําคัญมั่นหมายเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเวลาปฏิบัติต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเม่อนอนนั่งสมาธินี้เพื่ออะไรสมาธิก็เพื่อความสงบความนิ่งของใจความเป็นอุเบกขา ความว่างสงใจเราไม่ได้ต้องการนั่งเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวบุตรเห็นเทวดาเราไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดอุจจีริปปะติหารอันนี้เราต้องเข้าใจแต่เวลานั่งนี้สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ความสงบความนิ่งมันก็มีปรากฏขึ้นมาได้เราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงท่านนั่นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางเราต้องพุ่งไปที่การที่ความสงบเพียงอย่างเดียว ถ้ายังไม่ถึงความสงบเราก็ต้องภาวนาต่อไปต้องบริกรรมพุทโธต่อไปอย่าหยุดเหมือนจากการเดินทางจากนี้ไปกรุงเทพทางทาางอจจะมะีมีสถานที่บันเทิงต่างๆเราก็อย่าหยุดแวะเข้าไปในสถานที่บันเทิงเราก็ขับรถต่อไปจนกว่ารเราจะเห็นกรุงเทพแล้วเราก็หยุดขับถ้าเราไปขับรถไปแล้วเห็นมีสถานบันเทิงเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าไป ละไปแล้วก็ไม่กับลบกล่บไปเราก็จะไปไม่ถึงบ้างเราก็จะหลงตินอยู่กับการสถานบันเทิงต่างๆเราก็จะไปคิดว่าสถานบันเทิงนีคือบ้านของเราบ้านของเราก็คือความสงบความนิ่งของใจความว่าความสุขแต่การได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นความว่างไม่ใช่เป็นความสงบต้องเรามันระวงังถ้าเห็นก็อย่าไปสนใจ ให้ภาวนาต่อไปให้พุโทโธต่อไปจนกว่าจะถึงความนิ่งความว่างความสงบแล้วการภาวนาก็จะอยู่ไปเองเอาแล้วนะถ้าคิดว่าพอสมควรลอบสองแล้วอยาใครอยากจะถามอะไรก็ถามา <c oughs> ถาม <c oughs> าแล้วถ้า่แ ท, ท่านอยากจะมามากราบแล้วถ้าเกิดอย่างบางทีท่านอยาก มาอยู่มาจอมภาษาอะไรนี้ได้ก็ต้องมาดูก่อนไม่รับปากไม่ได้วจะอยู่ได้ไม่ได้แต่จะมาทดลองดูดูก่อนเหมือนกับแต่งงานนี่ยังไม่เห็นหน้าจะบอกว่าจะแต่งกันเลยมันไม่ได้ต้องเห็นหน้าเห็นตาก่อนว่ารักกันได้หรือเปล่าถ้ารักกันไม่ได้ก็แต่งกันไม่ได้ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสไปหนูจะลอกับ <น terror. S 1> เรียนถามพระอาจารย์ดูเพว่าที่นี่มีพระสิงคโปร์อยู่รูปหนึ่งแล้วก็มีพระชาวเยอรมันอยู่รูปหนึ่งคือคือแต่หมายถึงที่ท่านเคยบอกอือเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบพระอาจารย์ภาษาอะไรเงี้ยค่ะเว <c ười> ลาพูดสื่อกันแต่แต่คือก่อนหนะ้านี้ประมาณเดือนที่แล้วหนูไปไปที่วัดท่านอาช้าๆนะคะหรือ <c ười> ท่านยังอยู่แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไปกลับหลวงพ่อจะเรียน แล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงเดินหน้าเดคือเดินพุทธพาหะนั่นจะจะกลับมาแล้วก็อาจจะมันจะมันสายอยู่ที่วัดของพระอาจารย์ชัยชานอยู่แต่ถ้ามีโอกาสจะมากรบพระอาจารย์าามาแล้วก็จะได้มีเวลาสนทานากับชาวเซนพระสงฆ์ก็จะได้ดูว่าที่นี่เราอยู่กันอย่างไรทำกันอย่างไรคือส่วนใหญ่นี่เราก็ศึก ษ, ษากันเองได้มีหนังสือ ข, ของน้วงตาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อ่ะ มีหลายเล่มด้วยกันก็ต้องศึกษาก่อนด้วยตนเองแล้วถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนก็มาถามได้เพราะการการปฏิบัตินี้มันไม่ต้องศึกษามากมันอยู่ที่การปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านปฏิบัติแล้วเกิดไปติดแล้วมีปัญหาก็มาถามได้มาแก้ได้งนั้นเรื่องการสอนนี่ไม่ลำบากมีสมัยยุคแรกๆที่มีภาคข้าหลังไปอยู่กับลง หลวงพ่อชาท่านก็พูดภาษาสติแน่ๆเขาก็ยังศึกษากับท่านได้ศึกษาโดยการดูท่านท่านปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามท่านการปฏิบัติต่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่การต้องฟังอย่างเดียวมันอยู่ที่การเข้าใจให้รู้ว่าต้องทําอะไรแล้วทำไปซึ่งคําว่าสติคําเดียวนี้ก็พอแล้วห้มีพุโทโธไปตั้งวันนับทำไม่ได้ก็พอแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องรู้มากัน้นบอกถ้าถ้าอยากจะมาก็มาได้อยาจจะอยู่กันได้ไหมนี่ก็ต้องดูดูกันไปก่อนมีมันมีมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะต้องมาวิเคราะห์มาพิจารณาดูแต่อยากจะมาเยี่ยมหร่อจะมาอยู่ช่โชคคาฝอนก็ลองมาดูว่น ได้เลยะาเข้ามาถือนะถ้าถ้าเป็นของกิ่นก็ยากกว่นะล้วมีของผิดที่ของใช้กันนะแล้วของใช้ประเด็นกัแล้วกันแลของของกินเราวางไว้เฉยๆกินน้กิน้เราวังไว้เฉยๆเราแต่ของใช้เพิ่ระวังของไว้ทั้งบอาจารย์มีของถือ้รังได้ๆ ไม่ต้องปวดอะไรากรเป๋ากลับไปได้ขวบก็ได้ได้หมดขวบก็ได้ ทำไมได้ครับทีไปที่ร้านเดียวกันเอาครับทไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้อ่านฟังครับแต่ยังไม่จบเลยครับเข้าม า, าจะถายเลยเข้ามา น, นั้นมาปวางไว้ตรงนั้นถ้าเป็นพวกยานี่จะถายได้ ขอให้เอาไปอ่านก็นแล้วกันนะ <c oughs> ถ้าไม่อ่านมันก็เปนเศษกระดาษไม่มีประโยชน์เลยถ้าอ่านแล้วมันก็จะเป็นทองคำขึ้นมาจะได้ทรับอันยิ่งใหญ อยาจะท้าใขอเข้ามา ที่ขององค์หลวงตาที่เาขาถวายที่วัดหนอกจาแยกหาอชะองนี่นะคะก็เลยเห็นว่ามีจะเจอเอะไรนะกาะรกตพจะวิ่งขาวก็เลยท่านก็เลยมาสร้างกันตรงนั้นไว้นะคในกติหลังที่3มยังไม่เสร็จอยู่ค่ะ <laughs> องเดียว น, นะคะท่านต้องไปปรนะสาทที่แล้ว จะเริ่มเรีนงกลับมาาว่าแอ่ๆเอก้ทำอดีด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้เ็ก็ถ่ายวีดีโอไว้ต่อไปเขาจะเอาขึ้นไปในเว็บไซต์เนคนที่เขาทยู่นั่งข้างหลังตอนเม่านก็เรียบร้อยแล้วครับขึ้นไปในเว็บไซต์แล้ว้เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็ลงแล้วครับ แล้วต่อไปในวิธีที่จะทําเป็นแผ่นซีดีแจกเขาบอกมีครับมีใช่ไหมเดี๋ยวคนก็อยากจะเอาไปดูต่อได้ครับจ้ก็เทปตั้งแต่สมัยที่มาตอนส่อนที่เก็บไว้มันไม่มีอะไรฟังแล้วจ้ะแผ่นใหม่ไปเนี่ยมีแผ่นล่าสุดแผ่นซีดีอันนี้เป็นวิดีโอของวัดสายบานตายชีวิตของพระวัดายบ้านตายอันนี้อันสี คือส้มนั่นอของตาอนี่ของเอาไปเปิดดูดไม่ไใจว่าจะเหมือนกันหรล่าผมจะเหมือนกันไม่เวลาเอาไปก็ได้เอาไปเถอะน่าเหมือนจะให้คนอื่นก็ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกอ น, กอ น, นกแล้วออก็้ด้วยกนกอ่เชิญเข้ามาไปอยากจะอกกชา่ได้ะ ชื่อครับระหว่างพัสดุชากับพี่ชาโตได้ไหมครับพี่ชาโตตัดทองอยู่แล้วแากนะจะอะไรก็ได้นะแต่ก็จริงพัสดุชาจำง่ายกว่าเนี่ยใช่ชื่อพี่ช้อยู่แล้วก็ใช้ได้ ครับแต่ว่ากําลังตรวจอยู่นะครับตอนนี้อัปเดตไปก่อนครับครับก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยน่าจะครับขอ CD นี้ Atomic and Effect นะครับ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 ่ถ้าพุดโทยังไม่ดีก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนใหมหลวงพอ่อ ด, ดีขึ้นเองไม่ดีมากยึดอยู่เหมือนเดิมก็ครับ ไปราชการราชกรง่ายๆทำงนแล้วเอเดินทางนมาเนี ปฏิบัติกันอยู่ว่าเปล่าปฏิบัติค่ะที่เรียนมาเขาให้ทำอะไรต่อเรียนมาแล้วเขาให้ไปปฏิบัติเองใช่ไหมปฏิบัติเองที่บ้านค่ะอ่ไม่ใช่เรียนจบแล้วก็หยุดปฏิบัตนินะเพราะว่ายังไม่ถือว่าจบเรียังจะจบหลักสูตรการเรียนแต่ยังไม่จบหลักสูตรของการปฏิบัติใช่ค่ ะ, ะถ้าเราไปปฏิบัติจึงจะจะได้มรรคผลนิพพาน ปฏิบัติก็ต้องได้อย่างแน่นอน<ะ>เหมือนกินข้าวถ้ากินแล้วมันก็ต้องอิ่มอย่างแน่นอน<ะ>ถ้าไม่กินมันก็ไม่อิ่มอยู่แล้วเหมนต้องขยันน ะ, ะมีวิทยะมีความขันติมีความอดทนต้องมีตารางต้องมีวินยัยต้องสั่งตัวเองบังคับตัวเองว่าถึงเวลานี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยให้ปฏิบัติไปตามอารมณ์ ถ้า ป, ปฏิบัติตามอารมณ์นี้บางทีมันไม่มีอารมณ์มันก็จะไม่ปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่มันจะไม่มีอารมณ์ปฏิบัติ <c oughs> เราต้องบังคับมันว่าตื่นเช้าขึ้นมาต้องนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนนอนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างน้อยแล้วกลางวันเวลาไหนว่างก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรม ต้องมีกำหนดเวลาเหมือนกินข้าวทำไมเรามีเวลากินข้าวได้ทำไมเรามีเวลาปฏิบัติทำไม่ได้นะการปฏิบัติทำก็เหมือนกับเปรให้อาหารทางใจลใหลายอาหารทางกายได้ตามเวลาเราก็ต้องให้อาหารทางใจได้ตามเวลาเหมือนกันพนะยายามให้มากว่พราใจนี้สาคัญกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าเดีวยวร่างกายเป็นของชั่วคราวเดียวมันก็ตายแล้วแต่ใจนี้ไม่มีวนันตาย แต่ใจมันจะขิว อ, อยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่แย่อาหารคือเราไม่ปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วสอไปใจเราจะอิ่มตลอดเวลาขอให้เอาความสําคัญของใจเป็นหลักเพราะใจเราไม่ตายไปกับร่างกายถ้าเราปฏิบัติธรรมเวลาร่างกายไม่มีเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างมีความอิ่มความสุขเพราะเรามีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ ถ้าเราไม่มีธรรมะหล่เลี้ยงจิตใจเวลาไม่มีร่างกายในใจของเราก็จะมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ขอให้เราพยายามทำให้มากให้อาหารใจให้มากกว่าให้อาหารตามร่างกายเพราะร่างกายให้มันมากน้อยยปไหนในที่สุดมันก็ต้องตายไปแต่ใจไม่ตายใจ ไ, ไม่ได้อาหารใจก็จะได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความหิว พอใจได้อาหารได้ธรรมะก็จะได้แต่ความสุขได้แต่ความอีกอันนี้ไม่มีใครทาให้เราได้เราต้องเป็นคนทําเองเวลาเรากินข้าวก็คนอื่นกินแทนเราไม่ได้เวลาปฏิบัติธรรมคนอื่นก็ปฏิบัติแทนเราไม่ได้ต้องถือหลักอัตตาหิอัตโนนาโถอ่ะพยายามไปปฏิบัติกันนะ อย่างครับรู้มากมาดีเพราะว่ารู้มาเดี๋ยวต้องต้องทำเลยรู้เร้วทำไม่ได้นะครับรู้มากพดีครับเอาเลยหนังเสียก็ไดว้วีดีโอก็ได้ชุดนะคะครับอ่ะให้พี่อ้อยพี่อ้อยด้ยพี่อ้ิสบาอาจารย์เลี้ช่วแก้วแทนหนูเล็กจะพิ่มแรงมาบอกค ถ้าเขาปลูกที่มเอาจ่ายแ้เนเหรเนเเด่แล้วไม่เห้ยันไมาไม่ได้ต้องมาขายยาวเลยลบกระดา ชาลิมมันเป็นชิ้นนเป็นคนที่ไม่มีแบบมีอใครพูดอะไรไม่มีความดักแน่ไม่มีหลักใจเป็นเหมืนกะต่ายเติบโตพอเขาบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตกใจเตื่นตัวไปหมดทาอะไรไม่ได้ ทำอะไร้วกลัวว่าจะเกิดตามที่เขาพูดไปหมดพราะว่าวิตกบจริตไม่มีสติไม่ครวบคุมความคิดของตอนเองเนี่ยความสาคัญของสติถ้าเรามีสติเมื่อพอใจเราไม่สบายเราก็พูดโธพุโทโธไปอย่าง เ, เดียวเดี๋ยวมันก็หาถ้ายิ่งคิดก็ยิง่งยิ่งไม่สบายใจอะยิ่งเครียดมากขึน้นไปเรื่อย เพราะมันจะคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นหนม่มนุจับคิดแบบความหรือวานมันต้องเจริญสติให้มากหลายคนหูก ว, ว่าเห็นแล้วผลผลผลหดหู่่ะพระาจารย์ว่าเขาทำบุญบัคานาแนี้แต่วันนี้พอไม่มีหลงตางเห็เกิดจะเป็นคนกลัวเขาจะบ้าแต่การทาบาญอย่างเดียวไม่พ อ, ต, อต้องทำบุญด้วยการเจริญสติ ถึงจะพอที่จะรักษาใจได้ต้องระมัดระวังต้องมีความแน่วแน่ต่อคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราแน่วแน่เราจะไม่หวันหว่นไหวนี่แกไม่แน่วแนีแน่ยคําสอนของพ่อเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วต้องการเป็นธรรมดาไปกลัวทําไมอย่างมากมันก็แค่ตายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่กลัวไปหมดกลัวจะน้ำ ล, ลายกลัวจะอะไร กลัวไปทำมล้มก็ล้มไปเลยละลายก็ละลา ย, ลยถ้าห้าไม่ได้มันก็ต้องเกิดก็ต้องเกิดเกิดก็เกิดก็อยู่ประมันไปอย่างมากก็แค่ตายให้ชุบอย่างนี้ถ้ายอมตายแล้วนั่นนันปัญหาต่างๆนี้มันจะกลายเป็นเรื่องไม่เป็นถ้ากลัวตายนี้อะไรก็กลายเป็นปัญหาไปหมดมันต้องต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพระเจ้าบอกว่า คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้สอนใจอย่างนี้อยู่ทุกวันเพื่อมันจะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วใจมันก็จะยอมรับได้มันก็คิดว่าเป็นของที่จะต้องเกิดไม่ว่าจะทาบุญหรือไม่ทาบุญมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน ปฏิบัติตำไม่ปฏิบัติตำมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่กันตรงที่ว่ามันไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายถ้าเราปฏิบัติตำถ้าเรามีสติถ้าเรามีปัญญาถ้าเรายอมรับความจริงมันก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ตื่นเต้นตกใจไม่ใช่ร่างกาย ร, ร่างกายก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายเขาไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะเขาไม่มีความรู้ในตัวเขาว่าเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้กลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะนั่นเองก็ต Clear ้องสอนให้เขาไม่ต้องไปเดือดร้อนเนี่ยเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆแค่น hmm hm UM ี้เองใจเราเป็นมีกิเลสมีความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกาย พอร่างกายเราเป็นอะไรล้วก็ตื่นเต้นตกใจไปกับกับร่างกายเวลาต้องแยกร่างกายออกจากใจใจต้องแยกออกจากร่างกายให้ได้ถ้าแยกได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจ เรีนถามนิดนึงครับก็คือช่วงช่วงที่นั่งนั่งไปช่วงแรกๆพอพอพุโ่โธพุ่โธไปพอพุ่โธหายปุ๊บแล้วรู้สึกเหมือนหลับกับพอรู้สึกตัว อ, อีกทีก็เหมือนกันคือแต่ว่าแต่ว่ารู้ก็ไม่รู้แต่ว่าหลับก็ไม่แน่ใจครับมันรู้ตัวอีกทีตอนตอนที่มีเวทนาอย่างนี้ครับ สติอ่อนหมดสติไปต้องฝึกสติต้องไปนั่งที่มันน่ากลัวแล้วมันจะไม่ง่วงครับถ้าอยู่นที่มันปลอดภัยมันจะง่วงได้เลยงั้นก็ต้องอดอาหารต้องลดอาหารหนยให้มันหิวหน่อมยมันจะได้ไม่ง่วงคถือศีลแปดคือไม่กินข้าวเลยก็ก็มีบางพระก็ลองก็ออออลองทําดูครับ แต่ความสําคัญก็คืออยู่ที่สติต้องต้องปฝึก<ร>มาแล้วต้องฝึกสติให้มากมากเพราะว่าเพราะว่าตอนช่วงทํางานก็อาจจะตัดตูพักเออลวลาทํางานทำอะไรก็ให้มีสติพุโทโธพุทโธไปทีนี้เ ร, เราเราจะสามารถ เ, เจริญวิปัสสนาได้ตอนนี้ถ้ายังไม่มีสมาธิมันจะเจริญได้ยากกว่าให้มีสติให้มีสมาธิก่อน ต้องต้องไปเจปริญปากแต่ถ้าเราจะจอพิจารณาบ้างก็ได้จะเจริญอ น, นิจจังทุกขังนัจ่าได้จะคิดไปได้ก็ก็ลองดูแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ได้เห็คิดว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเสื่ต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ําลงไปร่างกายไม่สวยไม่งามเวลาตายไปไม่สวยไม่งามเวลาไปดูคนตายแล้วคนสวยขนาดไหนคน หล่อขนาดไหนเวลาตายก็ไม่สวยแล้วไม่หล่อแล้วคิดอย่างนี้ไปเพื่อจะได้ตัดความอยากต่าสๆให้น้อยลงไปครับถ้าคิดได้ก็คิดแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนทําใจให้นิ่งให้สงบไปก่อนแล้วจะคิดได้นานเพราะว่าตอนตอนกินนั่งก็ยังเป็นเห่ือนเหมือนกับนั่งหลอกอก็ลุ ก, ก, กขึ้นมาแทนก่อน ลราขึ้นมาเจริญสติก่อนเดิ น, นพุนโทโธพุทโธไปก่อนเดินจนกว่ามันจะหายง่วงรับหูตาสว่างแล้วอยกลับไปนั่งไยก็คือจเจริญสติกลับแก้ด้วยการเดินนะครับอาจารย์เดินเดินจงกรมไปก่อ น, น, นอ่าหลังเรีต้ากการฝักการเจริญนะ อใครจะอะไรเข้ามาถวายเข้ามาเรื่องก่อนรถมาจะพยายามมากันบ่อยๆนะคะ วันนี้ใจว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคนนะคะมาจากบ้านชางวันนี้พี่เขามาด้วยก็เลย ม, มาด้วยกันอ่ดีมาได้ก็ดีคะมาไม่ได้ก็ฟังซีดีไปที่บ้านก่อนอ่าน้นังสือไปก่อน